ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่108โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่108ให้คติธรรมว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สานังเยาวชนคือรากฐานของมวลมนุษย์ อันนี้ก็คือพวกเราเกิดมาตามลำดับขั้นตอนเกิดมาแล้วก็ในอยู่ในวัยน่มแล้วก็อยู่ในวัยกลางคนแล้วก็อยู่ในวัยทำการงานแล้วก็สู่วัยชราจนถึงชราภาพอันนี้ก็คือถ้าเรานึกย้อนหลังไปเมื่อเราเ ม, เมื่อเราเป็นเด็กเราควรจ ะ, ะได้รับ ความรู้ความฉลาดอย่างไรจากวยยวุฒิคุณวุฒเพราะนั้นเด็กที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังพวกเราที่ผ่านมาแล้ว่านเรื่องราวมาแล้วอันไหนดีอันไหนชอบอันไหนควรมิควรเราก็ควรจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเขาให้เขาเดินตามแนวแถวที่ถูกต้อง เ, อเหมือนกับเราบางสิ่งบางอย่าง เราจะไปสยามภูหรือไปรู้ในจุดนั้นมันยากถ้าว่ามีผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้แล้วเราเดินตามอันนั้นจะง่ายกว่าเพราะนั้นเ ย, ยาวชนเออเป็นรากฐานของมวลมนุษย์ถ้าว่าพวกเยาวชนไม่ได้รับน ไ, ไม่ได้รับการแนะนำอย่างที่ดียาวชนนั้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นเป็นคนผู้ใหญ่ที่ไม่ดีทำให้ชุมชนของเราประเทศชาติของเราสั่นคลอนไปทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกเยาวชนเขาไม่รู้เราก็ไม่ไแนะนำไม่ได้บอกกล่าวเขาก็ทําตามที่เขาต้องการอย่างเขาเสพยาบ้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าเยาวชนเหล่านั้น ติดยาพวกนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพวกเราคิดดูสิว่าประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปภายภาคหน้านะเขาจะเป็นยังไงจะเดือดร้อนวุ่นวายไปทั้งหมดเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนที่ท่านแต่ท่านกล่าวไว้ว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สาหนังเยา ว, วชนคือรากฐานของมวลมนุษยชาตินี่ละ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 ความเจริญสุขกายสุขใจทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเธิน